ทำไมหลวงพ่อจึงจำศัพท์เนี่ศีล น, นะศีลคือความเรียบร้อยกายเรียบร้อยเป็นหมู่เป็นคณะพฤติกรรมยังไงที่จะจงว่าเรียบร้อยคือมาแล้วก็ น, นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกันไม่ใช่ว่า พวกหนึ่งนั่งพวกหนึ่งลุกยืนพวกหนึ่งลุกเดินอันลักษณะนั้นมันมันถูกกับความเรียบร้อยไหมน <c oughs> ทางภาพปฏิบัติหนะมันไม่เหมือนบางคนบางหมู่บางคณะพูดนะบางคนบางหมู่บางคณะพูดเอ้ยภาพวัดป่านั่งหลับหูหลับตามันจะรู้เรื่องอะไรมันจะรู้อะไร พาวัดป่ามองโงเธอเธอนางหลับหูหลับตาคือหมายว่านั่งภาวนาหลับตานะความหมายคาพูดตรงเนี้ไม่แช่ว่านั่งหลับตาแบบเธอเธอซาซาม่วงเงาเขานอนนะความหมายนั่งหลับตาดูใจเข้าใจความหมายไหมนั่งหลับตาดูใจ ทำไมยจริงนั่งหลับตาดูใจพวกเราฟังเสียงธรรมขององค์หลวงตาบรนตาสฟ้าดูจาดูรวมผลการฟังรวมผลเรื่องเข้าใจคำว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริง จะไปดูที่อื่นท่านว่าดูที่ใจสมบูรณ์เลยสั์เนี่ยครับเนี่ยสมบูรณ์เลยคงจะพร้อมก้นวนาที่นเนวตั้งใจความหมายก็ว่าตั้งใจตั้งใจท่าภาปฏิบัติพวกเรานั่งนั่งอยู่เดียวเนี่ย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 วาจากำรพูนวจีสมบัติล่างกายใช้ได้วาจาใช้ได้ก็เพราะมีใจหรือมีจิตคือความโูภจะมนโนสมบัติ ท่านน่ะโรคสมบัติวิจีสมบัติมโนโสมบัติพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานบางคน <c oughs> สงสัยว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นนะบุญบาปบุญบาปหรือนรกสวรรค์ เลื่อมักผลนิพานเอ๊ะมีจริงหรือเปล่านีมีจริงหรือเปล่ า, ลาฉะนั้นพวกเราทุกคนฟังบันเน่ทำรรมัภาคปฏิบัติอาตมาเจรลาธนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายอีกวาละหนึ่ง อันนั้นคือบุญมีจริงหรือเปล่าอย่าไปสงสัยเลยให้เห็นในขณะนี้เลยรู้ในขณะนี้เลยอันนั้นคือโรคร่างกายของมนุษย์คนเราไม่เฉพาะพวกเรานะ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 พวกเรานั่งอยู่เนี่ยโรคจมบตดสวยงามเท่ากันไหมฉะนั้นกิริยามาายาตควมสวยควมงามโรคภัยไครเจ็บจนถึงอายุยืนยาวนาน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 หลักธรรมะภาคปฏิบัติอาตมาอยู่หลวงปู่ฟันอาจารย์หลวงพี่น้องญาติโยมลูกหลานเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันจังหวัดสะวันครเคยได้ยินชื่อไม่เจ๊เหรอกองหลวงปู่ฟันสอนภาคปฏิบัติศาสตร์จากความจริงฟังแล้วมันถึงใจปฏิเสธไม่ได้ คาดคานไม่ทหาเดียวกันคำเทศคำสอนของท่านนะอันนั้นคืออะไรเอาบอท่านสอนท่านถามว่าพี่น้องญาติยอมพี่น้องญาติยอม <c oughs> สมทานสินห้าสมทานสินห้ากับผ้ากับเจ้าถ้าตามมีการมีเวลาทําบุญทําทานในบ้านหรือไปวัดไปวาเอ้าสมทานศินรับสินห้าสมทานสินห้า ไปเข้าใจยังไงจะมาทานสินห้าจมาทานสินห้าจะขอศินกับพระความจริงความหมายอันนั้นท่านอธิบายให้ได้เห็นสัจจะความจริงท่านอธิบายว่าศินห้าสินห้าน น, นนนะ่ะไม่ใช่ว่าไปขอจากพระ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 ก็เหมือนอย่างที่ความหมายที่พวกเราไปสมาทานจากพระปานาภาษาเรายอมอย่าไปฆ่ากันนะอย่าไปทำลายกันนะตั้งแต่จีเวตมนุษย์คนเรามนุษย์คนเราเนี่ยรักที่สุดห่วงที่สุดห่วงที่สุด ก็คือชีวิตและขวมดีฉะนั้นอย่าอยไปทำลายกันนะอย่าไปฆ่ากันนะถ้าเผื่อเป็นไปได้แม้ ส, าาสัตว์สิาสิหมดตัวแดงแมงตัวเด็กให้พากันดีให้พากันเลี้ยงดีที่สุด ความดีตรงนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นคุณธรรมใหญ่มีความรับเห็นคุณค่าชีวิตมีความเมตตาสงสารเห็นคุณค่าคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งรัฐ ทั้งเมตตาทั้งสงสารพี่น้องญอาติโยมพี่น้องลูกหลานเอาตั้งใจดีๆความหมายก็ว่าตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆ <c oughs> เราจะมาเรียนมาศึกษาคำว่าสิน้าที่ปราพุทธเจ้า ห้ามอย่าไปทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างการฆ่าการลักกโมยการผิดจารีตประเพณีสามีภรรยาการโกงหหลอกลวงการดื่มสุราเมลยัยที่พวกเราถือว่าสินห้าไปขอจากพระความจริงอันนั้นสิ่งที่มันเป็นโทษถ้ารู้แล้วอ่ะ ไม่จําเป็นจะไปขอจากพระเวรมณีเวรมณีเวรมณีแต่ละก้อนแต่ละก้อนแต่ละก้อนนะให้พากันหลีกนะให้พากันเลี่ยงนะให้พากันเว้นนะความหมายภาษาเรานะ่นะเวรมณีเวรมณีทําไมจึงพระพุทธเจ้าให้หลีกให้เลี่ยงให้เวน้น พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานใจของมนุษย์คนเหล่านั้นถ้ายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนใจของทุกคนทั้งชายทั้งหญิงมันมีจิเลสมีโลมีโกรธมีหลงเอาตั้งใจดีด ความโกรธ ด, ดีไหมความโลภดีไหมความหลงดีไหมตอบในใจเอาตั้งใจดูลักษณะลักษณะความโกรธมันเกิดกับใจเราน่นนะนารักไหมอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นใน ใ, นใจเรา ใจสวยใจงามไหมเวลาอารมณ์โกรธเกิดขึ้นนะอารมณ์ควงความหลงเกิดขึ้นเริมหน้าเริมหลังเอาไปเอามาก็เครื่องใช้และหมู่เพื่อนสิ่งที่เรารักที่พูดที่สุดบางครัง้งบางคราวนึกไม่ได้ ล, ล้มหลงเริมเริมดีไหมลักษณะนั้น ที่มันเกิดขึนน้นกับความรู้สึกเราในใจนะบางครั้งบางข่าว <c oughs> ปัจจัยเครื่องอาศัยทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรทุกอย่างอยากแกได้อยากแก้ได้อยากแก้ได้ไดไดมีเท่าไหร่ไม่เพียงพออยากแก้ได้อยากแก้ไ ด, อได้อยากจะมีอยากจะมี ป้าดูพี่น้องญาติโยมพี่น้องรูปหลานความสำเนึกความรู้สึกอยากจะได้อยากจะมีลักษณะเนี่ย <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นขวมโลกลักษณะของกิเลสก็ฟังแต่ว่าลักษณะตรงนี้ให้ดู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 เกิดขึ้นที่ใจถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ใช้ความฉลาดเลือกที่เนี่ยตรงนี้ปลาพุทธเจ้าเมตตาสงสารบรรดาหลวงปู่ปูบาอาจารย์เชื่อตามคำสอนของปราพุทธเจ้าเมตตาสงสารพราะอารมณ์กิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันทำลายสมบัติความสุข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 ของกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นตามอารมณ์ของกิเลสเหล่านั้นฉะนั้นกิเลสเหล่านั้นอารมณ์ประเภทนั้นนะ่ะเกิดน้อยเสียหายน้อยถ้าเกิดมากเสียหายมากตกจากฐานะของความเป็นสมบัติเข้าสู่ของความเป็นวิบัติมโนวิบัติเสียงกับวิบัติ รคก็วิบัติภาษาสับทางศาสนาบาปาเป็นบาปแล้วรควิบัติถ้าดูดูลักษณะของรควิบัติของความเป็นมนุษย์ บางคนนั่นะเกิดขึ้นมาหูหนวดตาบอดรูปขี้ไล่ขี้เหล่แขนขุดขาดว้วนมีแต่โลกมีแต่ไปโอ้ยบน่บนรบบ่นยากนั่นน่ะโรควิบัติแล้วโรควิบัติภาษาเราก็บาก ตัวบาปเขาเป็นบาป พ, พี่น้องญาติยมพี่น้องลูกหลานฉะ <c oughs> นั้นการตั้งใจฝังธรรมะปาคภาคปฏิบัติเอ า, า, าตั้งใจตั้งใจตั้งใจความหมายตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งนอกจากตั้งใจเพื่อให้แกตั้งตั้งสติเพื่อให้สติตั้ง อันนี้ตั้งใจตั้งตาติตั้งตาติตั้งใจตั้งใจจะไปดูที่อื่นจะไปรู้ลักษณะอื่นความหมายกว่าตั้งใจตั้งใจตั้งตาตินั่นตั้งใจคือตั้งเพื่อให้ใจตั้งตั้งตติเพื่อให้ตติตั้งถ้าใจตั้งได้ดีตาติตั้งได้ดีมันรู้ตัวทีนี้ความรู้ตัวเนี่ยเพน่ืจีว่าความทุกข์ ใจดวงนี้กลัวลวเกิดสันแช่ตะยานมันกลัวอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าไม่ดีใจดวงนี้มันกลัวลวเกิดความไม่ดีที่เกิดปรากฏในรูปรูปวิบัติ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 นั่นแหะโรคดีบัติบาพาเกิดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ด้วยความรักความเมตตาความสงสารมนุษย์คนเราเนะี่ยควรจะรู้ตัวควรจะรู้ตัวควรจะรู้ตัวรู้ตัวว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้โรคสมบัติวิจีสมบัติมโนสมบัติเกิดขึ้นมาพบนี่ฌานนี้อันนี้คือบุญบุญ ถาดวงจิตดวงใจของพวกเรามาเกิดถ้าดวงจิตดวงใจดวงนี้นึกถึงบุญไม่ได้ไม่มีบุญก็อย่างวานเดี๋ยวเข้าทองมาเกิดมาเป็นตัวอะไรเข้าทองวัวทองควายเกิดมาเป็นตัวอะไรเข้าทองมดเกิดมาเป็นตัวอะไร หรือสัตว์น้าเข้าต้องท่องเจ้าพวกสัตว์น้ำแต่และประเภทเกิดมาเป็นตัวอะไรถามตรงนี้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลาน <c oughs> ฟังเนื้อหาเนคำว่าบุญมีจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเว่บาบาปมีจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตั้งใ จ, ใจดีๆตั้งติีดีๆถามใจตัยเองทีเนี่ยใครอยากจะไปเกิดเป็นลักติหนานเอา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 เมื่อมีลักษณะสติระ ล, ลึกู้วสัตว์เดริชานทุกประเภทเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจะไปเกิดสติระ ล, ลึกรู้ระลึกได้อ น, นั้นคือบาปพาไปเกิดสำประชัญญะที่เนี่ย <c oughs> ูลตัว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 และจ่นั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานจำตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นการปลุกความสับึกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องใจเรื่องใจโดยเฉพาะองค์ลงตาบัญญาสอนเรื่องของใจแล้วต้องปลูกครูบาอาจารย์ทุกองในภาคปฏิบัติเฉพาะภาคปฏิบัติ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 เรื่องความเท่าความแฉะไม่ใช่ใจนะมันเป็นเรื่องตั้งขานร่างกายต่างหากเรื่องจิตใจจะไม่ปรากวดเป็นความเท่าความแฉะจริงไหมตรงนี้เอาพิจารณะหรือใครจะสงสัยว่าเอ้ยร่างกายเท่าแฉะใจมันก็เท่าแฉะไปด้วยหรือนี่คนเข้าใจลักษณะนั้นอยู่ ถ้าเข้าใจลักษณะนั้นนะเพลิดนะพระพุทธเจ้าต ร, าจจรัสเรื่องนี้พระองค์สอนว่าคำว่าเท่าแจเท่าแจกภาษาแบบไทยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสังขารร่างกายเถึงบุญพามาเกิดก็จริงอยู่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 รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตั ว, ตวลักษณะนี่คือสำประชันยะรู้ว่าทําแบบนี้ทําความดีเพื่อให้เกิดความดีเพื่อทําความดีเพื่อให้เกิดความเป็นบุญแค่นั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานโรคสมบัติ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 ของบุญที่มันเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอย่างเริ่มแรกเบื้องแรกที่จะมาว่า <c oughs> สินเป็นที่เกิดของความเป็นบุญลักษณะของสินมีร้อยสามอย่างที่ว่าให้ฟังเบื้องแรกนะ เศนลักษณะของเศีเหนือสามอย่างอย่างหนึ่งศินส่วนหยาบคืออย่าไปทำเรื่องที่มันเป็นบาปคือเศนห้าการฆ่ามันก็ไม่ดีการลักเก่งวิ่งราวปนตรมโจมตีก็ไม่ดี การปิดจารีประเพณีสามีภรรยาก็ไม่ดีการโกหกหลอกพวงก็ไม่ดีการเดิมสุลาเมไลกัญชายาฝิ่นก็ไม่ดีเอาตั้งใจจริงไหมที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีไม่ดีจริงไหมอาอย่างข้อที่ห้าคนที่เมาดีไหม บุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพวกเรานะ่ะจะเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ยา่าตายายจะเป็นสามีภรรยาและเป็นบุตรเป็นลูกเป็นหลานเป็นหมู่เป็นเพื่อนคนเหล่านั้นขี้เมาเดิมเล้าขี้เมาดีไหมใครต้องการปราตนาบุคคลนั้นขี้เมาที่คือสันแคตยานจิตใจนะ ไม่มีใครปราศรณาฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าเวละมณีเวละมณีอย่าพากันไปทําลักษณะ น, า น, านาั้นนะรูปสมบัติของพวกเราควรจะรักษาให้อยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติผู้ดีถ้าอยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติผู้ดียิริยามมดายาต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 ฉะนั้นในสิ่งที่ปราพุทธเจ้าห้ามสินห้าโทษห้าอย่างเวและมณีเวละจะมีความจำเป็นลองนึกข้ามกลางของสังขมเมาความนิยมการดื่มถ้าอ่านเป็นจริงอย่างที่อธรมาว่าจะเป็นบาปขนาดไหนเอาว่าภาษาเราเดื่มน้อยเมาน้อยกับบาบน้อยนั่แหละ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 ผู้ชายกัรักผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านรักน่ารักรักแสนรักผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านมีพ่อพานกัรักแสนรักถ้าอยู่ในฐานะของความเป็นสมบัติผู้ดีไม่เมาไม่มีกิริยามารยาที่เป็นคนมึนเมานะถ้าเมาก็มาแหละที่เนี่ยการลุลกันอยู่เห็นไหมพูดก็ไม่รู้เรื่อง ยังไม่ถึงขราวตายก็ฆ่าที่ตายในขยกระดาษด้นด้วยเมื่อตายในขณะนั้นใจไม่ตายทีเมื่อใจไม่ตายอะไปต้องใส่อะไรตกนตรกเป็นเปรเป็นผีควรไหมเนี่ยมนุษย์คนเราจะทากันแบบนั้นอ่ะไปตกนตรกโดยความรักความเมตตายิย่งสินข้อสาม ข้อสีป่ป้าทวดพี่น้องอยับยอกพี่น้องลูกหลานข่าได้ยอมตามยกตามสมัยนะั้นนะไม่เอาเสียงคําสอนเสียงศีลเสียงธรรมไปพูดกันนะยุคนี้สมัยนี้ก็เดิมสุราเมลัยไมนเอธิเยว่าเดิมสุรามรมเมลัย เ, เขาเรียกว่าเดิมอะไรแอลกอฮอล ดูจิ น, นันาไอ้ข้อที่สี่โกหกหลอกลวงกับเมื่อเอาศั์นี้ไปพูดทำกลางของสังคมเดี๋ยวเนี้เอาพทบไหนมาพูดโปร่งใสไม่โปร่งใสดูจิ่ น, นันนไอ้ข้อที่สามผิดจาติพี่เพืีอสามีภรรยา ผัวไปมีชู้เมียไปมีชูสจับนี้มันเอามาพูดกันนะยุคนี้สมัยนี้จับนี่ลนะ่ะเขาพูดอะไรเมียไปมีจิ๊กผัวไปมีจิกเอาอยัางไงเนี่น อันนี้แรงฤทธิ์ของจิตเลสแรงฤทธิ์ของตัณหาเพราะใจนี่นะมันแก่ไม่เป็นแล้วก็ตายไม่เป็นเ <c oughs> มื่อใจแก่ไม่เป็นตายไม่เป็นทำยังไงทีนี้ท่านนั้นท่านผู้มีพระคุณเม่ตาสงสาร <c oughs> ท่านจึงสอนพวกเราให้มีความภูมิใจเถอะบุญพามาเกิดเดี๋ยวรักษาความเป็นบุญนี่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อองให้เวน้นจากความชั่วเวน้นจากความประพฤติตัวอย่าให้มันเป็นบาปเป็นกรรม <c oughs> นี่ล่ะพวกเราเป็นชาวพุทธให้เข้าใจความหมายก็ว่าศีลมีอยู่สามลักษณะ สินส่วนหยาบคือตามที่ขาวบอเอาสินส่วนที่สองที่เนี้ย <c oughs> สินถวนที่สองอย่าไปดูที่อื่นดูอารมณ์ของใจสินคือความเรียบร้อยนะสินคือความเรียบร้อยลักษณะอินสยาของความเรียบร้อยเป็นยังไง ถ้าดูอารมณ์ของใจอารมณ์เรียบร้อยในกระาเดียวเนี่ยพี่น้องญาติยอมลูกหลานเอาอารมณ์มาอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยมันมีความรู้ตัวอย่างนี้อย่างนี้เอออารมณ์เรียบร้อยถ้าอารมณ์ของกิเลสที่เนี่ยมันจะต่างกันนะกับอารมณ์ของสินของธรรมสินคือความเรียบร้อยหมายถึงอารมณ์ อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสดขึ้นลื่นเรือ ง, งยิ้มแยม้แยมแจ่มใสจุดเยียใจมีความสงบอบอุ่นสินคือความเรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามความงามนนเป็นธรรมสิ่งธรรมสิ่งธรรมน่นะ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 ขาเรียบร้อยแขนมือเรียบร้อยหน้าตาหูตาเรียบร้อยเอาไว้ว่าทุกสัตวสัตว์ส่วนเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดเมื่อเกิดความงามความดีความงามอความดีความงามตรงนี้นะที่เนี่ยท่านโพลุพระพุทธเจ้าจึงสอนควรให้มีความกลัวต่อบาปควรให้มีความละอายต่อคขมชั่ว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 เ อ, อผ้าตะบงจะแต่งชุดผ้าตะบงให้บรรทันสมัยแต่งแง่ตาจะไงผ้าตะบงแบบสมัยใหม่เท้พโพดคอยูตี <c oughs> ตัดผ้าตะบงให้ <c oughs> มันทันสมัยโคโยตี้นอกจากชุดโคโยตี้อ่ะตัด บีกีนี่ไม่อย่างนั้นยังไม่เป็นยังไม่เป็นพลาดทันสมัยจะยอมอจะกล้าใส่บาตรเนาะจะกล้าใส่กิจการใส่บาทรไหมจะกล้าไปทําบุญไหม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 พวกเราเป็นมนุษย์สมบัติรูปสมบัติกายเรียบร้อยแตนตัวเรียบร้อยกายเรียบร้อยแตนตัวเรียบร้อยก้มเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงามสมบูรณ์แล้วทีนี้อธิบายมาถึงตรงนี้ยังไม่ไปถึงไหนแล้วนะี่จ มันจะบ่ายหนึ่งแล้ว น, นี่ไมนจะบ่ายหนึ่งแล้ว น, นี่ยังเหลือห้านาทีอธิบายลักษณาของสินก็นยังไม่เด็ดห้าครึ่งห้ากลางเลยไ ด, ได้ได้เวลากำหนดให้หลวงพูดชั่วโมงเดียวตเตเตี่ยงมาบ่ายหนึ่งไม่จะบ่ายหึงแล้ว น, นี่ <c oughs> เอาหล่าจะขอตัวหลว่ข้อใจว่มตรงนี้ <c oughs> พี่น้องญาติโยมชมลมเชาพุทธในบริษัทของเราอย่าไปเข้าใจเรื่องอื่นนะชาพุทธชาพุทธชาพุทธคือเป็นผู้ปฏิบัติตัวเอง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 ผลคือบุญใบดังนั้นใจของพวกเราไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเก็บผลความชั่วคือบาปถ้าผลความชั่วคือบาปมากกว่าบุญที่เนี่ยบุญมีน้อยบาปพาไปเกิดาโปผนวังญาติโยมพี่น้อ ง, องลูกหลานก็ฟังแต่ว่าบาปเนี่ย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 จะนันทายที่สุดอาตมาขออัญเชิญเอาคุณพระเีรัตนไตรคือพุทธะรัตนธรรมะรัตนสังขารัตนจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาญมพ้นจากทภโศกโรคภัยแล้วปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยขอให้พวกเราทุกคนจงสงความปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ